เนี่มาขึ้นข้อความในอัถกถาพุทธวงศ์นะนะเรื่องพันนาสุเมศกันเน่ยนะเกี่ยวกับเรื่องท่านสุเมศบัณฑิตในหน้า162ข้อความที่พันนานยกย่องกล่าวถึงข้อความเมื่อสอสงไขยแสนกลับเนี่ยนะที่สุดถอยหลังนับแต่วันที่พระองค์แสดงพุทธวงศ์เนี่ยนะสอสงไขยแสนกับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าอมรวดี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 ได้ฟังกรถาวัตถุเป็นต้นหรือพระราหูนเนี่ยเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาได้อย่างเจริญไพ่บูรณ์แล้วพระราหุูได้คบกัลยาณมิตรได้ฟังกรถาวถัตถุสิบพระราหุูเป็นผู้มีศีลพระราหุูเป็นผู้ปรารบความเพียรพระราหุูเป็นผู้มีปัญญาพันถือว่าได้เวลาที่จะตรัสรู้แล้วถ้ากระไรเราพึงแนะนําพระราหุูให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมเป็นที่สิน้นอาสวะทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็ตรัสตามอัธยาสัยของ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 ท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้คือปฏิเสธเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติมากท่านไปปฏิบัติอย่างนั้นนะท่านทําทุกขระกิริยาอย่างนั้นอนะ่ะท่านยังไม่บรรลุมรรคผลเลยคือเขามีอัธยาสายว่าไอการบรรลุทําได้เนี่ยมันต้องทําทุกขระกิริยาพระองค์ก็บอกว่าชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะการตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ปนั้นการแสดงตามคือว่าแก้ไข อ, อัธยาสายปรับอัธยาสายของผู้ฟังอันนี้เป็น เป็นพระสูตรนะพระสูตรเราใดที่เกิดจากอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นประเภทเกิดจากอัธยาศัยผู้อื่นแต่บางสูตรก็เทวดาและมนุษย์เข้าไปเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหานะเช่นเทวตาสังยุตธ์เนี่ยนะเทวตาสังยุทธ์เนี่ยโดยมากเทวดามาถามนะเทวดามาถามปัญหาธรรมะในตอนกลางคืนเนี่ยปฐมัยามผ่านไปก็คือหลังสีทุ่มไปแล้วเนี่ยเทวดาเนี่ยจะลงมา ถามปัญหาธรรมะหรือบางทีในโพชงข้สังยุทธ์นี่นะโพชงข้สังยุทธ์ก็บางหลายๆสูตรก็เกิดจากคำถามหรือแม้กระทั่งมงคลสูตรเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเขาอยากรู้อะไรเป็นพระหูเทวามนุษสาจำมังค า, านิอาจินเตยุงอกังคามนาโสทนานพรูหิมังคลมุตตะมังเนี่ยนะ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงมงคลคือเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสมงคลที่เป็นเหตุแห่งความเจริญแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าอาเสวะนาจะพาลานังเป็นต้นเนี่ยนะหรืออย่างเช่นปราบปราภวะสูตรอเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมพระองค์ก็สามารถแสดงเอามาแสดงว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อม อะไรชื่อว่าเป็นธรรมะที่ทําให้คนเนี่ยเป็นคนถอยเป็นต้นจากคําถามที่เขาถามมาพระองค์ก็ตอบไปอันนี้เป็นพระสูตรที่เกิดจากการถามเนื่องด้วยการทูลถามบางสูตรเนี่ยนะบางสูตรเนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันไหนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีธรรมทายาสสูตรปุตตะมังสะสูตรเป็นต้นอันนี้เกิดจากเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในธรรมธายาสูตรเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายพอบวชเข้ามาก็เริ่มควนขวายสแสวงหาลาบสักการะสแสวงหาปัจจัยปัจจัย4มัวแต่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เป็นต้นพระองค์ก็เลยมาแสดงว่าอย่าเป็นอมิธายาสเลยจงเป็นธรรมธายาสเธอเข้ามาอย่ามุ่งมารับมรดกปัจจัย่เลยให้มารับมรดกธรรมเธอมารับมรดกโพธิ ป, ปักขยธรร ม, มรับมรดกมรรคผลนิพพานเธออย่าไปสนใจอมรดกที่เรียกว่ามหาภูตรูปทั้งหลายเลย อ, นนอันนี้โดยอัฏฐะนะแต่หมายถึงการมคุณทั้งหลายหรือว่ า, าปัจจัย4ี่ในปุตตะมังสะสูตรหรือปุตตะมังสูปมะสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับบริโภคเนื้อบุตรก็คือเนื่องจากพระพิสูจน์ทั้งหลายนี่มัวเมาในการบริโภคอาหารไม่มีการปัจเจกอะไรเลยเป็นต้นพระองค์ก็เลยแสดงพระสูตรเหล่านี้ตามตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมาแสดงเรียกว่า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 ผู้สูงสุดแห่งนรชนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรเนี่ยนะอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรในหน้า13ใช่หน้าสิามหน้า14ที่พระสารีบุตรถามว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดในนรชนอภินิหารความปรารถนาของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระผู้แกล้วกล้ า, ลาบ พระโพธิยานอันสูงสุดคืออรหัตตมัคคยานสัพพัญยุตยานเนี่ยพระองค์ทรงปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไรทานสินเนคขมมะปัญญาวิริยะของพระองค์เป็นเช่นไรขันติสัจจาที่ฐานเมตตาและอุเบกขาของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นำโลกบารมีสิบเป็นเช่นไรอุป ป, ปารมีสิบเป็นเช่นไรปรามัตถบารมีสิบเป็นเช่นไรอธิษฐานอย่างไรความเป็นใหญ่อย่างไรบารมีเป็นอย่างไร พระจอมปราดในโลกเนี่ยนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไรเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขาพรหมวิหารทาั้ง4ประการของพระองค์ที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างไรพระองค์บำเพ็ญพุทธธรรมพุทธ ก, กัลกฐธรรมคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าจนสําเร็จบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยเมื่อไหรแล้วก็อย่างไรพระองค์ก็ได้ตอบปัญหาเล่าถึงอดีตของพระองค์ให้ฟังเนี่ยนะท่านพุทธวงศ์นั้นจึงเกิดจากการถามของ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 แล้วเรียนให้เป็นอะไรในอนาคตยังไงเป็นต้นเขาจะมองกทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลอยู่แต่ละทุกครั้งทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ้่นนี่หยาบมากเลยนะคิดได้ขนาดนี้นะถือว่าหยาบที่สุดแล้วนะในบรรดาปัญญาทั้งหลายเพราะว่าระดับสูงเข้าไปองเนี่ยลืมตาขึ้นเหตุยังไงอดีตอดีตปัจจุบันผลเนี่ยอดีตเหตุอย่างไรเมื่อเห็นปั๊บมีผลต่อไปอย่างไรใน อนาคตคูณอย่างเงี้ยกับทุกทวารทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกปาษาเวทนา น, นั่นแหละเขาจะเริ่มไข่คูณอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยได้ก็น่าจะมีแนวโน้มพอจะเห็นอริยสัจได้มีแนวโน้มประพิมประพรายอยู่บ้างแต่ถ้าคิดอโอ้โนี่ได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะไปทำอะไรได้ไม่รู้จะเร่งไปยังไงใช่ไหม ในคัมภีร์โดยเฉพาะคัำพีอัตกถาดีกานั้นจะเน้นขยายสับเนี่ยนะเน้นขยายศัพทบมิใช่น้อยคือให้รู้ว่าในพระไตรปิฎกนั้นหนึ่งคำเนี่ยแปลได้หลายอย่างอย่างวัน ก, นก่อนนี่คุยกันคําว่าบางภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอะไรบางบางนี่แปลว่าอะไรแปลว่าบอบบางใช่หมบางบา ง, บางใช่ไหม บางทีแปลว่าพื้นที่เช่นบางปลแก้วบางประกอกบางปลากงบางบางนู่นบางนี่เนี่ยนะคำว่าบางเฉยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่จะแปลได้ง่ายใช่ไหมเออเนี่ยบางนี่แปลว่าอะไรสมมติถ้าเราต้องคุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยนะคุยว่ายังไงเนี่ยบางเออบางกระบือบางเนี้ยบางบอลบางปลากงบางประกอกบางปลาแก้วบางปลากงบางอะไรทั้งหลายบางๆงเนี่ยหรือแม้กระทั่งคาว่าเขา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 เรียกว่าอเนกัตถะว่า ง, งั้นนะสับที่มีความหมายไม่ใช่หนึ่งมีความหมายร้อยอย่างมากเพราะฉะนั้นต้องการแปลพระไตรปิฎกในสําคัญว่าอัตถกาถาให้คําจํากัดความว่าสับเนี่ยควรจะแปลว่าอะไรนั่นแหละจริงจะแปลถูกต้องอย่างเช่นคําว่าสัตตะนะขามาเคยเห็นนะสัตตะอนุปัสนาเขาบอกว่าเจริญสัตว์7เออเจริญสัตว์คืออนุปัสนา7จ็ดนะเจริญสัตว์อนุปัสนา7เออเอเจริญสัตว์อนุปสัสนา หรือว่าจเจริญอนุปัสนาเห็นว่าเป็นสัตว์กลายเป็นอย่างเงี้ยเขาแปลแบบนี้ก็มีซึ่งสัตว์ตัวนั้นอ่ะสัตตาถ้าบอกว่าสัตตาอนุปัสนาเนี่ยก็คืออนุปัสนาเจตแต่เขาบอกว่าตามเห็นโดยความเป็นสัตว์ ก, <Isab. S 2> <ะ>ก็มันก็อนุปัสนาแปลแว่าตามเห็นนีสัตตาแปลว่า7ก็ได้แปลว่า <sie ars> <7 S 2> สัตว์ก็ไ <sie> ด <ars> ้อนะสัตว์โตนี่แปลว่าผู้คล่องก็ได้เพราะนั้นการแปลศัตว์เหล่านี้บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันพัน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 พระองค์ต้องการอะไรแล้วก็สผู้ที่เขาฟังตอนนั้นแล้วเขารู้อะไรแล้ว่ามองทั้งในส่วนพระพุทธเจ้ามองทั้งในส่วนพระธรรมและมองในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็อ่านพระสูตรคือคือมองมองสส่วนมองให้เห็นพระธรรตรายกับทุกสูตรถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจผิดเท่าไหร่พระพุูธเจ้าตรัสรู้อะไรต้องการอะไรสอนอะไรพระธรรมมีความมุ่งหมายอย่างไรแสดงทําไมแสดงให้เรารู้อะไ ร, ระข้อสพระสงฆ์ที่เขาบรรลุเขาบรรลุ ว, ว่าอ ย, ย่างไร เขาบรรลุอะไรเขาคิดอะไรทําไมเขาจึงบรรลุเนี่ยนะก็คือถ้าเรียกว่าฟังปั๊บเห็นจบฟังจบสูตรเห็นพระพุทธเห็นพระรัตนตรัยก็ถือว่าประสบความสําเร็จครึ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าบอกเอ้ดีก็แล้วกันนะถ้าอย่างงี้ก็ก็ดีกว่าไม่เรียนนะนะก็เรียนต่อไปเถอะองก็ไม่เป็นไรนี่จะรีบไปไหนอ่ายกตัวอย่างในะกับปะสพัพนะกับเนี่ยแปลว่าเชื่อมั่นก็ได้ในพระไตรัปิฎกยกตัวอย่างมาเป็นว่า โอกลับ ป, ปณิยเมตังเนี่ยนะโอกลับ ป, ปะเนี่ยนะโอกลับ ป, ปะตัวนั้นก็มาจากกลับ ป, ปะโอกับ ป, ปณิยเมตังเนี่ยอธิปแปลรวมๆว่าข้อนีพ้พึงเชื่อมั่นต่อท่านพระคโคโดมเหมือนอย่างพระอาหารหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้า ว, ว่างั้นเถอะเนี่ยพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ะนั้นโอกลับปณิยเมตังเนี่ยกลับปะก็แปลว่าเชื่อมั่นก็ได้ หรือบางทีกลับแปล ว, ว่าโวหารก็ได้เช่นอนุชานามิพิขเวปันเหตุสมณะกับเปหิพลังปริพุนชิตุงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณะโวหารโวหารก็คือกับปะเนี่ยน ะ, ะกับเปียงกะโรห oh ีท่านทํากับเปียงหรือ ย, ยงังกับเปียงพันเตแล้วก็จิ้มไปนั่นแหละกับเปียงอ น, นะกับปะตัวนั้นแหละที่เรียกว่าทำให้สมควรเนี่ยนะโวหารตัวนั้นเราก็ทำให้สมคว ร, นะวรวทําให้เป็นผลไม้ที่ฉันได้ใช้ได้ บางทีกลับนี่แปลว่าแปลว่าเวลาก็ได้นะการเวลาเช่นเยนะสุทังนิจักลับปังวิหารามิเราจะอยู่ตลอดกลับเป็นนิดด้วยเหตุใดเป็นต้นอันนี้ก็กลับนิจักลับปังเนี่ยนะบางทีกลับก็แปลว่าบัญญัติคือเป็นชื่อของพระเถระรูปหนึ่งเช่นพระนิโครธกลับปะนิโครทกับปะเนี่ยนะที่เป็นอาจารย์ของพระพระวังคีสะเนี่ยนะท่านนิโครธกลับปะอาจารย์ของพระ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 อแต่วังกุละกับโปอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการสังขยาครั้งที่สองเนี่ยนะที่เรียกว่าภิกษุอ่เมืองภัยษาลีบัญญัติสิบประการขึ้นมานันะนะนะหรือบางทีกับแปลว่าเล่กก็ได้เช่นอธิขปโปนิชะอะ่นิปัชตุงมีเล่นอนได้แล้วเน่ยนะนะอ้างเลนะ่กนะับปะแปลว่าได้เหตุอันสมควรนอนได้นะ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 กีวะทีโคนุขโขพันเตกับโป้ค่ะแต่พระองค์ผู้เจริญกับนึงนี่มันยาวเพียงไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็อุปมาว่าเหมือนอย่างว่าเมือนอย่างว่าอะไรภูเขาหินแท่งทึบสูงยาวกว้างสงิบหกซอกเออนหนึ่งโยตอ่ะนะโยต์หนึ่งสิบหกกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ร้อยปีมีผู้ที่เอาผ้าเนื้อละเอียดไปรูปสักทีหนึ่งหรือไปปัดสักทีหนึ่งเรียกว่าเต้นเสมอแผ่นดิน แล้วเขาบอกว่ากับผู้เขาลูกนั้นสิ้นไปก่อนแต่กับยังไม่หมดเลยกับมันนานขนาดนั้นและมาหากับเนี่ยบางทีก็แปลว่าเทียบเคียงก็ได้นะกับแปลว่าเทียบเคียงเช่นกับแปลว่าเทียบเคียงมาคาว่าสัตว์กับเปนนะวะัตะกิระเป็นต้นนะท่านผู้เจริญเขาว่าเมื่อเทียบเคียงกับพระาศาสดาพวกเราปรึกษากับสาวกก็ไม่รู้ น, นะเพราบางอย่างเนี่ยมันเทียบเคียงกับระดับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าด้วยกันรจริงจะเข้าใจระดับเราไม่รู้หรอกบาทีกับปะแปลว่าเทียบเคียงบางทีนี่แปลว่าควรต่อแก่พระวินัยก็เหมือนกันเช่นกับโปนัทโหติกับปะกัโตกาโซชินโนโหติแปลวะ่าความสมควรแก่วินัยก็เสียไปโอกาสที่จะทําให้สมควรแก่วินัยก็เก่าไปคือถ้าใครใช้ฉบับพมา่าเนี่ยนะเล่พมพม่าก็มี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 การศึกษาในยุคนี้อายุเราน่าสักหมื่นปีเท่านั้นจะได้เรียนให้มันกว้างขวางที่สุดแต่ว่าอายุมันน้อยเกินไปนะเหมือนปลาน้อยในท้องทะเลใหญ่เชนั้น น, นะเยอะจริงๆนี่ก็เพราะฉะนั้นถึงจะมากมายขนาดนั้นก็พึงถือเอาอะไรที่พอจะเป็นสาระช่วยเหลือแก่ชีวิตต่อไปในอนาคตต่อไปเธอเนี่ยนะก็จับความมุ่งหมายของตัวเองให้ดีบางคนมาเจอโอ้โหเจอศัพจ์เจอแสงเจอคำพี์เข้าบอกโอ้ยนี่ถ้าไม่เรียนบาลีไม่รู้รอก ลงไปเรียนบาหลีคงวโตเลยแหละสิบปีมันจบสักทีเลยนะโอก้ยบางทีมันต้องอภิธรรมเอาไปเอามาบอกโอ้ยมันต้องอภิธรรมบัณฑิตมันจริงกะเจ๋งเจ็ดปีไอเจ็ดปีก็บหกเดือนนะกว่าจะจบอภิธรรมบัณฑิตบาหลีอีกแปดปีโอก้ยมันไม่ได้มันต้องไปโน่นนะเอาโน่นเอานี่ไปตายไปกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีมันก็ต้องจับประเด็นของชีวิตในการศึกษาเพื่รทำให้มันถูกต้องนะไม่ใช่ไปไลไปตามคําโฆษณาอันเขาว่าดีอ้าวเข้าไป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 การศึกษาโดยเฉพาะพระธรรมเนี่ยนะเราต้องพยายามศึกษามุ่งหาพระธรรมตรายเธอถ้าถ้าศึกษาในโลกของตําราเนี่ยนะตำร า, าศาสนาไม่มีาศาสนาไหนเกินาศาสนาพุทธเนี่ยนะทางเอาฉบับภาษาบาลีฉบับภาษาไทยปิกอัพขนไม่หมดปิกอัพบรรทุกนะเรต้องแบบหกล้อนะั่นแหละจึงจะบรรทุกหมดนะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องจําทั้งนั้นเลย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 เอ่มหาเสื้ออะไรกันเน่ชั้นใดเข้ามาในศาสนาก็เหมือนกันเนี่ยนะในมิลินทปัญหาเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะได้บรรยายถึงละเกิพูดถึงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนเมืองเ ม, มืองหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาเนี่ยนะเขามีตลาดมีปุโรหิตมีทหารมีอํามาตย์มีองครักษ์มีสินค้ามีในตลาดคือตลาดอารียาเจ้าเนี่ยมีเต้น น, นะมีเช่นรัตนะมาวางคือสติประธานส ม, มบัตประธานอิธิบาทเขาเสร้างเป็น เรื่องอะนะมิรินท์ปัญหาเนี่ยกล่าวไว้ดีนี่ก็คิดว่าคงปีหน้าอาจจะได้บรรยายแต่ไม่ใช่ที่นี่หรอกนั่นนะบรรยายอยู่ที่อื่นแต่เล่าให้ฟังอะนะบอกเราไม่ได้เลยเหรอคือพูดถึงว่าคืออย่างงั้นจริงๆว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องมันศึกษาใ ห, ให้พยายามจับประเด็นให้ให้มากที่สุด แม้กระทั่งว่าคนที่ไปนะพูดถึงคนที่จะไปอินเดียก็เหมือนกันไปไหว้สังเวชนียสถานเนี่ยก็เหมือนกันไปตอนแรกจะไปไหว้สถานที่พระพุทธเจ้าตัดสรุปไปเข้าจริงๆไม่ใช่นะไปหาช็อปปิง้งนะนะบอกโอ้โหอะไรลงทุนค่าเครื่องบินไปช็อปปิ้งเนี่ยนะได้อะไรมาบ้างแล้วแล้วซื้อบางอย่างมาเนะี่ยเคยเอามาใช้บ้างไหมบางตนเนะ่ยคือกลายเป็นว่าประเด็นไม่ได้นั่งต่อรองเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้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 พรหมวิหารอยู่ด้วยเกสินทั้งหลายอาณาปานาสติหรือว่าจะอยู่ด้วยอนุปัสนาทั้งหลายจะต้องเรียนจนสามารถสร้างที่อยู่ให้แก่ใจตัวเองได้เนี่ยนะนั่นจึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของคำสอนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีที่อยู่แล้วพ้นภยัยมีที่อยู่ที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะสูงสุดคืออริยวิหารเนี่ย น, นะจะสร้างที่อยู่ให้แก่ใจของเราได้อย่างไรโอ้ ไ, ไกลมากแล้วมันจะไม่จบนะเนี่ย